เกิดมาจากโคลนต้งเมื่อผลโผลคขอบน้ำมาเป็นดอกไม้บูชาคงค่าคุณแห่งดอกบัวในสายธานแห่งการไหว้วนผู้คน มุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมาขึ้นขึ้นลงลองเปรียบดังดอกบัวนั้นหนาว่าจะพลอพ้นมาอยู่เนื้อทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนไหว้วน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 เราทุกคนเปรียบเหมือนนอโบวเกลือกลัวคลา้าโคลนกินเลสมายาเวียนวายลุ่มหลงเวียนวนวัฏสงสารกว่าจะพลพกรกรรมสายน้ำเวียนทุกระธม มีพระหนึ่งเปรียบเหมือนยอดบัวเพลียบานพ้นน้ำสว่างสวัยแม่ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใยพระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานเด็กตามร้อยบัว ชาพระมหาบัวแหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อนานจะเป็น